ทางผู้งังที่รคักคะรายการสัมสีสนทนานะคะเป็นรายการที่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเรามีรายการแน่นอนไม่ต้องหยุดเทศกาลอะไรกับใครเขาทางสถา น, นวีวิทยุเอครอบครัวข่าวร้อยหกสทอทรอแห่งนี้ดิฉันสัมสีณพงดําเนินรายการนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าท่านยังพักผ่อนกันอยู่เรื่องของธรรมะมีวันพักผ่อนได้หรือไม่ เดี๋ยวเราไปกราบน้ำระส ก, การถามพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการหลีกเร้นเป็นครั้งที่สองของเดือนเมษายนนะคะกราบน้ำระส ก, การค่ะทั้งคะเช่ปนปานค่ะก็จะกราบเรียนถามท่านนะคะวันหยุดนี้เราพักไปทำอย่างอื่นตามวัตถุประสงค์ออของหยุดนั้นๆไม่สนใจธรรมะเลยได้ไหมคะ จริงๆการปฏิบัติธรรมะเนี่ยได้ทุกที่นะไม่ว่า <Okay. S 1> คุณจะไปหยุดอยู่ที่ไหนทําอะไรคุยกับใครทางานไหมหยุดหรือไม่อันนี้ก็มีธรรมะได้หมดตลอดเวลา <Okay. S 1> คือธรรมะเนี่ยเป็นของที่แทรกซึมไปได้ทุกที่นําไปที่ไหนก็ก็สบายใจพระเจ้าจึงบอกว่าธรรมะจักเนี่ยเป็นจักที่ชนะอย่างราบคาบทุกที่อยู่ในประเทศไหนเคารพกันอย่างสมัยก่อนพระเจ้าประเสนิโกศลรบกับพระเจ้าอาชาสัตว์รูอย่างเงี้ยธรรมะก็มีได้สอ ง, สองประเทศเลย <Okay. S 1> เขาก็เคารพนละถือพระเจ้าเหมือนกันหมด ชนะราบคาบหมดโดยไม่มีใครตายมีแต่กิเลส ต, ตายไปออทำมาจากชนะราบคาบได้ใ<ด>นทุกที่อันอัน น, น, นี้ถ้าเป็นพุทธพจนะก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นจากที่ชนะโดยยิ่งนะเป็นจากที่ไม่มีใครหมุนทวนกลับได้ด้วยมือนะเป็นจากที่ชนะอย่างราบคาบไปงั้น ไม่มีใครหมุนทวนกลับได้ด้วยมือหมายความว่าอย่างไรคะคือจะไปสู้กับจากนี้เนี่ยไม่ได้จะทําให้คําสอนพระเจ้าเนี่ยเสื่อมสิ้นไปเนี่ยไม่ได้โอมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคือถ้าถ้าคุณไม่ทําจะบอกว่าสินธรรมเสื่อมไปไม่ใช่คนน่ะเสื่อมสินธรรมก็อยู่ของเขาบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ดีแล้วอือในที่พูดว่าสินธรรมเสื่อมนี่ผิดนะคะผิ ด, ผดสินธรรมไม่มีทางเสื่อมใช่ คือคำสอมพระเาก็หมุนให้กลับต้านทานให้กลับได้ด้วยมือไม่ได้ค่ะเรนเห็นมีการพูดกันถึงเรื่องของอยากนำเอาวิชาหน้าที่ศีลธรรมกลับมาใช้และโรงเรียนของบางองค์กรขณะ น, นี้ก็ได้มีการนำเอากลับมาใช้วันนั้นรู้สึกจะอ่านเป็นโรงเรียนของ พังนักสืบพินไทยรัฐไปสนับสนุนอยู่เนี่ยนะคะ อ, อะผู้ที่เป็นผู้บริหารกขาบอกว่าดีใจมากเลยที่สามารถนําเอากลับมาเป็นวิชานี้ได้อืมดีมากพูดถึงถ้าโดยทั่วไปท่านคะถ้าสมมติว่ามันไม่มีหลักสูตรนี้เนี่ยท่านคิดว่ามันเสียหายมาไหมคะเหมือนว่าไม่มีวิชานี้อยู่ในระบบการเรียนการสอนไหมคะ ถ้าคือคนที่มันดีมาตั้งแต่ดีเป็นนิสัยเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคุณโยมติ๋วค่ะทำไมพระเจ้าพระเจ้าเคยบอกว่าคนที่ถึงแม้จะไม่มีคําสอนของพระเจ้าหรือแม้จะไม่ได้ยินคําสอนอพระเจ้าเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนดีอยู่โดยปกติก็มีอ่าแต่สมัยนี้รู้สึกมันจะหาน้อยคนประเภทนี้เพราะฉั้นมันต้องสอนยังไงก็ต้องสอนสอนแบบไหนคือไม่ได้อาจว่าจะต้องสอนในในระบบการศึกษาจริงๆ จ, จ, จังๆมีห้องเรียนมีคาบหนึ่งมีครูสอนเฉพาะก็ได้ แต่น้อยต้องมีสอนทีวีมีไหมนะพ่อแม่สอนได้ไหมนะหรือว่าตามถนนคุณมีป้ายติดไหมนี่ก็เป็นการสอนหมดตลอดเวลายอยู่ละค่ะในความเห็นของที่ฉันขอนขอนุญาตที่จะแสดงความเห็นประกอบด้วยนะคะส่วนตัวหรือฉันเชื่อว่าเรื่องของคุณธรรมความดีมันเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในทุกๆขณะของการพัฒนาคนนะคะ คือทุกที่ทุกทางคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาไปโฟกัสเฉพาะเรื่องระบบการศึกษาในระบบใช่ไหมทำให้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีใครมาคุมเรื่องโฆษณาข่าวาตามหนังสือพิ sheets, มพ์ตา่างๆซึ่งมันก็ดึงเด็กไปตรงนู้นหมดเลยนะคะคือคือฉันกำลังคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องมาถามตัวเองซิว่าเป็นครูของสังคมหรือเปล่าอืมใช่คือถ้าสมมติว่าสิ่งที่คุณทาอยู่น่คุณจะทาให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้จากเราเนี่ย มันเป็นหน้าที่เลยนะคะที่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องให้ในสิ่งที่มันจะทําให้เขางอกงามไปในทางที่ไม่ไปเป็นทุกโทษกับใครแล้วก็กับตัวเองถูกต้องถูกต้องเพราะตรงนี้พระเจ้าจึงคําสอนพระเจ้าเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบต้องมาศึกษาเป็นระบบอะไรอย่างนั้นนะคือ ค, คือบัญญัติการบัญญัตินี่มีการบัญญัติเป็นระบบแต่การศึกษาคุณจับตรงไหนมาศึกษาก็ได้คุณจับตรงไหนม า, า, นนมาปฏิบัติก็ได้น่าดีหมดเลยอืแล้วก็ ขอให้เราช่วยๆกันก็แล้วกันค่ะเพราะว่าสังคมในบางทีเรามองทางตรงเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดว่าปฏิบัติกันไปตามหน้าที่ตามโอกาสในการสแสวงหาต่างๆแล้วมันเกิดผลพวงที่เป็นผลกระทบกับคนอื่นกับสังคมอย่างไรไหนวันนี้พูดเหมือน เหมือนธรรมะธรรมโมมากไปไหรือเปล่าคะ <c oughs> คือคือเหมือนดิฉันเองเนี่ยนี่รายการธรรมะเนาะคือเหมือนกับ <c oughs> บางทีเดี๋ยวนี้เราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็รู้สึกนะคะว่าถ้าเราพูดเรื่องอะไรที่มาเป็นอย่างนี้นิดนึงเนี่ยวงสนทนาจะไม่ค่อยสนุกละออคือคือเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าอืมนะก็ดิฉนไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรกับใครเมื่อไหร่เราก็ไม่อยากจะจริงจริงนะคุณยมเติ๋วคือธรรมะเนี่ยคุยให้มันสนุกได้ Là, คือหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้กับเรื่องผัดซาเอาไปใช้กับเรื่องปฏิจจสมุปาทเนี่ยมันจะสนุกเลยวันนี้คุณเจออะไรมาบ้างอเอป็นยังไงมีอารมณ์ เ, เปนยังไงพวกนี้เราเราคุยได้อย่างสนุกขึ้นมันจะมีความร่าเริงในธรรมะมแล้วก็ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของคนเครืไม่ใช่ของคนแบบสมัยเก่าแล้วคุณแก่แล้วคุณจึงมาพูดเรื่องธรรมะอันนี้คุณคิดผิดอ <Th> นะคะแต่ทีนี้เอาล่ะรายการเนี้ยก็เป็นรายการของคนที่เนเชื่อว่าถ้า ปกหลักฟังกันอยู่นี่ก็แปล ว, ว่าต้องสนใจในเรื่องธรรมะแล้วทีนี้เขามีการพูดกันอย่างนี้ก่ะท่านคะ่ะแล้วก็ออกมาเป็นข่าวด้วยนะว่าวิธีการที่จะให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับคนรุ่นใหม่ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ต้องปรับวิธีให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็มีบทความที่ดิฉันไปอ่านเจอความจริงที่เขียนมานานแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของอนักบวชในพระพุทธศาสนาแต่คงไม่ใช่ มหานิกายแบบบ้านเราคือที่สามารถจะใช้เครื่องดนตรีประกอบในการประกอบพิธีกรรมได้หรือในการสวดมนต์ในการปฏิบัติได้เขาก็ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นว่านักบวชที่นั่นเนี่ยก็เป็นทุกนะคะว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็มีโลกของเขามีอินเทอร์เนต็ตมีศิ ล, ลปะบันเทิงมาจากที่อื่นแล้วก็ยากที่จะ รับคําสอนแบบคอนเสิร์ตีหรือแบบอนุรักษ์นิยมเดิมๆ เ, เขาก็เลยใช้วิธีสวดเป็นแรปคะ่ะท่านคะ อ, อ๋อฮึมท่คิดว่าจําเป็นไหมคะพูดถึงธรรมะเนี่ยมันจําเป็นจะต้องไปทําให้ colorful สีสันมีชีวิตชีวาอย่างนั้นไหมคะเ อ, อ่อคือธรรมะเนี่ยเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาดังนั้นก็เป็นของที่ไม่เสื่อมไม่เก่าไม่มีปัญหาอะไรคือของที่มันถ้าเป็ น, ปนไปตามกาลเวลาเนี่ยมันก็จะมีสมัยใหม่สมัยเก่าถูกไหม แต่ธรรมะนี่ไม่มีเป็นความเป็นสมัยเก่าหรือสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแค่รูปแบบในการนําเสนอเท่า น, นั้นเองถ้ารูปแบบในการนําเสนอไม่ผิดกับอี่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อันนี้ก็ถูกต้องนะเช่นว่าการไม่สวดหรือว่าการท่องมนต์มนต์อย่างเงี้ยท่องบนคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่พูดด้วยเสียงอันยาวอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ก็แต่ถ้ามันยาวเสียงอันยาวเนี่ยมันก็จะทําให้คนกําหนัดในเสียงนั้นก็จะไม่ควรงั้น อันเนี้ยก็ก็สุ่มเสี่ยงกับคำสอนเหมือนกันนะคะถ้าเท่าที่ดิฉันฟังเพราะว่าอะไรถ้ามันไปนเป็นท่วงทํานองเป็นจังหวะจะโคลนแล้วยิ่งบอกว่าออกมาเป็นแรปเนี่ยดิฉันว่ามันน่าจะทำให้คนเกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอืมคือถ้าเข้ามายึดถือด้วยด้วยการที่เห็นความสวยงามเห็นคุณค่าในกรามเนี่ยอันนี้เราผิดตั้งแต่แรกเลยผิดตั้งแต่ก้าวแรกเลย ในในี้วิธีแก้ในแทนที่ว่าคุณจะไปปรับเปลี่ยนธรรมะให้เข้าสู่การไม่ใช่ธรรมะเป็นของทวนกระแสเป็นของทีทวนกระแสทวนกระแสตันหาทุนตันกระแสะการมตันหาท่านพิบูลคดีฉันเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าผู้ที่เป็นนักบวชแล้วต้องการที่จะเผยแผ่คําสอนไปยังกลุ่มของคนที่คิดว่าต้องใช้วิธีนี้เสนอไปเนี่ยเจตนาดีไม่มีการเจตนาก็คือว่าอาตมาจะให้เข้าถึงโยมพวกนี้ให้ได้ นะฮะแต่ที่นี่คนรับอะค่ะคือเหมือนกันในในผู้รับเนี่ยฟังให้มันมันดีนะเพลงสดนี่มันกว่าเพลงแรปที่เรารู้จักอีกอะไรเงี้ยสมมตินะคะอือย่างเงี้ยได้นะคะได้ไหมคือคือความสงบนี่คือธรรมะทั้งนั้นะความเบาสบายความสุขที่จากในภายในเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราต้องนําเสนอสิ่งนี้เท่านั้นเองอคนวุ่นวายเนี่ยถ้าเขาจะเสพการแล้วมีความสุขก็ ก็ปล่อยเขาอ่าทีนี้ว่าไงเขาจะต้องเห็นโทษของกามแน่ถ้าเขาเห็นโทษแล้วเข้ามาเจอความสุขในภายในนี่เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้อืมค่ะแต่มันก็ไม่แน่นะคะบางทีแบบฟังรับไปกําลังเพลินๆอยู่มันอาจจะปิ๊งเลยนะโอ้โหพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอืมเป็นอย่างนั้นไหมมันมันก็มีโอกาสเหมือนกัคือถ้าจิตเขายังมีความกําหนัดมีกามอยู่เนี่ยมันมันจะไม่ได้เขาจะไม่ปิ๊งนายนะเพราะจิตเขาจะไม่มีสมาธิไง ค่ะแต่ว่าก็คงจะเหมือนกับการที่ไปเขียนถ้อยคำสุภาษิตหรือเป็นคำคำพูดของภาษาสดาพุทวัจนะอย่างนี้ติดตามต้นไม้ไว้ในที่ต่างๆนะคะแล้วก็มีคนได้บ้างไม่ได้บ้างทำนองนั้นไหมคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าการนำเสนอเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่มีความสงบนะ เป็นขาดจากการม่ตันหาใช่หมถ้าผู้เชา่าบอกว่อาอยากฆ่านะอยาฆ่ า, าทุกคนอยาฆ่าสัตว์แต่ตัวพระองค์ยังทําอยู่นี่มันจะไม่ได้การบอกสอนจะไปไม่ได้เราบอกคุณอย่าเสพกามนะเอาแต่เป็ น, เ, ปนเพลงแหมเป็นเสียงเพราะมีอะไ ร, รต่างๆมันก็จะไม่ได้น ะ, ะ, ะเราจะพูดผิดจากที่เราสอนค่ะดังนั้นเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องตามพุทธวจนะท่านพอจะบอกท่านทั้งหลายได้ไหมคะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงห้ามมิให้ประกาศทำในลักษณะใดบ้างอย่าง ที่ท่านได้ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หนึ่งตัวอย่างค่ะศีลนี่จะเป็นตัวกำหนดไว้หมดแล้วคุณยมติวศีลเนี่ยความเป็นอยู่ของพระเนี่ยเป็นตัวกำหนดข้อปฏิบัติที่ว่าตัวพระจะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าพระเนี่ยปฏิบัติตามศีลนั่นนหละคือการเผยแผ่ศาสานาคาสอนพระเจ้าไปในตัว อ, อยู่แล้วนั่นเองเลยอื ม, อมก็คือให้ยึดอยู่ที่ศีลใช่ว่าอย่าให้หลุดออกจากศีล ก็เป็นอันว่าสิ่งที่ท่านมีเจตนาบริสุทธิ์จะทำนั้นมันสำเร็จด้วยความถูกต้องแล้วอืมถูกต้องนะคะแล้วในในเรื่องนี้เนี่ยอะไรที่มันจะมาใหม่ๆนี่นะพระเจ้าก็มีเกณฑ์การการวัดให้อยู่แล้วนะว่าถ้ามันไม่ขัดกับของที่มีอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่เป็นของที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็สามารถทำได้ค่ะนะค่ะในสถานนีนน้ พิจารณาดูทีนี้ขณะนี้เนี่ยระหว่างที่กราบสนทนากับท่านอยู่นะคะเด่นก็เปิดโทรศัพท์รุ่นใหม่ไอโฟนนะคะ uh huh. แล้วก็เปิดไปที่แอปพลิเคชันภาษาไทยมันควรจะเรียกว่าอะไรเหรคะแอปพลิเคชันนะคะอ่า uh, ไม่ไม่ทราบคุณเรายังไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าจะพูดคําจํากัดความให้กับท่านทั้งหลายซึ่งอาจจะยังงงงเพราะว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบนี้หรือไม่ได้เข้าถึงพวกอ่าอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะคะว่ามันก็คือ โปรแกรมโปรแกรมอ่าโปรแกรมมันก็โปรแกรมนนะะมันบางคนคิดถึงโปรแกรมหนังเลย่ะท่านคะดิฉันว่ามัน <c oughs> เข้าใจยากต้องพายายามให้ความจกัดควาว่ามันเหมือนกับเป็นชุดของความรู้ความบันเทิงของเนื้อหาที่อ่าหรือว่าเป็นชุดเครื่องมื อ, อมนะคะมันหลายหลายความคิดกินความกว้างมากที่เขาได้ทําขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถนำอาอกไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของเขาในเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างนี้พอไหวนะคะท่านทางคโนได้แต่อ่ะทีนี้ที่ดิฉันบอกถืออยู่ในมือเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะมันชื่อ Buddhaverse นะคะอืมแล้วก็ทําทำดีมากเลยค่ะท่านคะคือเมื่อเปิดหน้าจอเข้าไปเนี่ยจะเป็นรูปพระพุทธรูปเงาดำๆนั่งขัดสมาธินะคะแล้วก็ พื้นข้างหลังก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีต่างๆแล้วแต่ว่าเรื่องอะไรก็เรื่องหนึ่งสีหนึ่งแล้วก็เป็นถ้อยคำสั้นๆอย่างเช่นตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ฉันไม่ทราบใครทาเขาบอกว่า the mind mind นี่แปลว่าใจใช่ไหมคะใช่เป็นทุกอย่างคุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นอดี๋ยวฉันจะมากราบเรียนถามว่าอันนี้เป็นธรรมะ อย่างไรคะท่านช่วยอธิบายหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนโนบุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมายาอันนี้เป็นวลีก็คือพูดว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จลับด้วยใจนใจคิดอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นบางงานอย่างที่สํานวนที่เขาพูดนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอืแล้วไงนะคะแล้วก็อใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ ค, คือใจเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมปากควบคุมมือถามว่ามือเราจะยกขึ้นยกลงใครเป็นคนคุมใจปากเราจะขยับไปทางไหนใครเป็นคนคุมก็จใจอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นใจในี่คุมหมดอืออพระเจ้าจึงบอกว่าอมนโนกรรมเนี่ยสําคัญสําคัญมากที่สุดเลยกว่าเจ้าวจีกรรมกับกายกรรมอีกอเพราะนั้นไอ้ที่ เราอาจจะเคยได้ยินเป็นเหมือนกับคำคมสุภาษิตข้อคิดที่ว่าคิดยังไงเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นพุทธวจนะใช่มนนโนเศร ษ, ษมมรมามโนมยานี่แหละเพราะนะคบมนโนเศสษฐาท่านเนี่ยดิฉันคิดถึงคุณเรสรถาศิราชายาเลย <c oughs> <c oughs> มนโนเศรษฐาเศรษฐาแปลว่าพี่แปลว่าแปลว่าอันนั้นแปลว่าเชิถาแต่เศษฐาในที่นี้หมายถึงว่าประเสริฐ มประเสริฐที่สุดว่าอย่างนั้นใ จ, เ, จเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดใช่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระวังใจสิคะเพราะคิดยังไงเป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องเราต้องมีสติรักษาใจของเราค่ะนะสําคัญมากเลยนะคะเนี่ยดิฉันว่าอท่านช่วยช่วยพูดบาลีเต็มๆเพื่อได้ไหมคะเพรเดียร์คะ่ะพระรูชาตรัตนี้กว่ามโนบุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษามโนมยา มณะสาเจปทุตเถนะภาสติวากะโรติวาตะโตนังทุกขมะเนวติจักกังวะวะหะโตปะทันติแคนี้แปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมตามเขาเพราะเหตุนั้น ดุดล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นําแอกไปอยู่เช่นั้นดังนี้ค่ะจึงหมายความว่าพวกเราทุกคนจะต้องระวังที่ใจนะคะก็สาธุนะคะกราบนมรสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเราก็ทิ้งท้ายกันด้วยสิ่งที่ฝากเอาไวใ้ให้ทุกคนได้รู้ว่ามีค่าสําหรับที่เราจะกํากับใจของเราเป็นอย่างมากเพราะใจของเราจะนําให้เกิดทุกอย่างดังที่ใจเราคิดคะ่ะ ะะก็กลับมามาส ก, การทระนุ่งฟังที่เครารพค่ะในการสรนนีสฐทนานะคะวันนี้สนทนากับพระอาจารย์เพรบิบุญอภิปุญโนในช่วงหลังนี้ผ่านไปก็เป็นนั้นว่าใกล้เวลาที่เราจะลากันไปแล้วหนังสือพุทธวจนะค่ะจะเป็นหนังสือที่ทําให้ท่านได้ศึกษาและทราบซึ้งนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนเอาไว้อย่างประณีตถ้อยคําของท่านแล้วก็เป็นถ้อยคําที่ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร เพราะเมื่อเรานำไปปฏิบัติตามแล้วเห็นผลตามคําของพระพุทธองค์อย่างแน่นอนถ้าลองทำาดูสิคขาแล้วท่านจะพบว่าชีวิตของท่านพบกับความสวัสดีนะคะติดต่อเข้ามาที่นี่022690006ค่ะเวลา3ท่านผู้โชคดีโดยพระอาจารย์คึกฤทิ์สุทธิพโลท่านเจ้าวาดวัฒนาปัทพงค์ค่ะวันนี้เราลากันไปต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุทธ ว, ส, วสดีค่ะ